ทุกใจเป็นทุกสาคัญที่สุดทุกกายของว่ามี่ประจำนี่ทุกคนทุกใจเป็นของสาคัญพระพุทธเจ้าสอนให้แก่ทุกใจตู่คือกันพนเพื่อกันแก่ได้หน่อยก็แม่นห้องตู่แก่ได้ร้ายก็แม่นห้องตู่แก่ว่ได้ก็แม่นห้องตูส่สังเกตสำนับทุกกายนี่ ผู้มีโรกหน่อยก็เป็นทุกข์น่อยเน่แต่พ้นที่สุดเขาลงไปหาตายจะศาสัตว์และสตวเนี่ยจะจบลงตายนั่นจิตตายโดยวิธีใ ด, ดก็เป็นทุกข์ก็เหมือนมัดตายไร้ตายก็เป็นทุกข์ตายด้วยผ้าถือควนฟันก็เป็นทุกข์ซ้ำเดียวกัน ตายโรคเซลาก็เป็นทุกข์เพราะนอนกินนอนเกลียบกือหันตายโรคอัมาพาตก็เป็นทุกข์ทุกขนาดใดก็ทุกข์ซ้ำตายทุกข์เกิดบุมีผู้ยัง่งว่าด้านตา ย, ด, าตายด่านทรัพย์สมบัติไพ่หนอกเป็นช่วนหนึ่งอันนี้ด่านทรัพย์สมบัติไพยนอกผู้ขอกินข้าใสขอเสากินเย็น ทีนี่การนักว่าสั่นโดดด้ยตามคว่ำใดคว่ำนี่คว่ตัวก็เพราเป็นทุกข์ปัญกาเป็นทุกข์กุคือกันละท่านทุกข์รักทุกข์สุขทุกข์ยกทุกขห่อหันทุกตายด้วยเขาประหัตประหารอันนั้นก็เป็นทุกสนิทที่แก้ปทุกอีกคือกันละพราที่สนองเว้นสนองให้ที่ตุ๋นตัวทำคว่ำซัว มันที่ทุกข์ยังไงมันที่ตายยังไงก็ต า, ยยามเพ้อขอให้ได้ตายในห้วงศีลห้องรมำของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ขอให้ได้ตายข้าภาวนามันุมันผลพ ผ, ผ, ผลก็ได้อันนี้เป็นขอสำคัญนะตายไร้ตายแตย่เมื่อได้ภา ว, วนาจะมีความหมายยังไง ก็มบบีความหมาย บ, บนมีแนี่ยิระวังในเพิงตายบนมีสตินะ่ะตายห่อนหมายความมาได้สองทางตายเบียดหนึ่งนะึ่งเดือดห่อนแม่ป่าในเะช้า หมุนไหวาทไสพงทัางหลังก็เป็นถอยเป็นค่วมกันเพราะว่าเล้วทั้งมอระดกทั้งไฟพระก็เป็นค่วมกันพรากูได้หน่อยมึงได้หลายในเหลืองมอระดกในเหลืองเงืนส่วนตัวที่ฝากในข้างหมุนไหวไสพงน้องอุปถัมภ์เอาไปกินบ้า ก็ว่าผู้นั้นกินแต่ว่าผู้นี่กินหุ่นไม่ใช่ผงกัน ก, นกนเกลียกว่าห่อนอยู่ผู้อยู่ทั้งหลังส่วนผู้พันปอยห่อนไม่ห่อนขึ้นอยู่กับผับธรรมะของเพื่อนนักอ่ตายเย็นตายเย็นกับนีสังแนวแนวหนึ่งหนึ่งเพิ่นบ่มีเกลิเพิ่นละเอียดเมื ไม่ได้เกิดอีกแค่อีกเก็บอี ก, ก, อกตายอีกเรียกว่าตายเย็นแบบนั่งเงินขีกมุ้ยชักซกยกหอปุ่นวี่แล้วมันตายไปแล้วพวกนั้นมันพันเย็นไปอีกอันนั้นผู้อยู่ทางหลังเลยเย็นอันนั้นเรียกว่าตายเย็นสนิดนึงอะมันเย็นทั้งนอกเนะี่ยเย็นทั้งโลกกีตายเย็นทั้งโลกกุตละ พระสดาบันสกทาข้ามีอาาข้ามีพาระอ ร, าราหันต์พระอรหันต์ยินที่สุดนีเหลือนอกหลังลงมามันตายหอดดหทางปรมัดเพือ่อเสมาเที่ยวเกิดเที่ยวเก้งเที่ยวเก็บเที่ยวตายอีกเพื่อคิดใจเ่ท่นถึงโลกุตละ นันสะิเนี่ยหอนเจ้าของแล้วห่อนผู้อืน่นห่อนซัตว์ช้าวัวสิ่งห่อนเวนห่อนไผ่อีกคือหลายศาสตรหลายพบเรียกว่าตายห่อนอีกชนิดหนึง่งตายห่อนย่างที่สุดก็คือพวกปุ่นพวกสะดุมมันแหะห่อนเจ้าของมานลยฮะเนี่ยเพราะเจ้าของสิมากเนียใส่เวนใส่ไผ่อีกกันส่วนผู้ยืด ท, ที่หลังเขาบันเย็น พอพุกันตายไปแล้วเย็นละชอบข้อมันหอนอันนี้อันนี้หอนร้ายกม้มงออันนี้ตายแบบว่าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังบากด้วมีบุญบ่มีนอันนั้นตายไปโลกโลกกันตานรกน่่ยมืดนั่นแต่ว่าท่านตายกับมืดด้วยเหลี่ยมมาเห็นคนทาง วควาชีก้ดักที่ก๋เดืนละที่เช้านาซารูปล่งแล้วควานเจ้าในร่วงกุตละของโปง่งเจาะตามความช้ำเหนียวคิดถึง ก็่ามีเนยเป็นตะเพิ่งจากแนวแล้วขันจิตใจว่าเขาทั้ง ล, ลูกกุตลับเนี่ยพ่อปาน่อยน้ำไปขวัวแช่น้ำว่าสิปินบนจองก็บ่ได้พอสิได้จองทถนแม่ น, น้ำพ่อปานเดินดินทรายห่อน ภาห่มกรบโบมีเรื่องมนีเป็นเรื่องที่น่าสนใจเมือ่อวันคืนนับมือล่วงไปล่วงไปจิตใจยังโยระดับเ ก, ากบ่ากะใส่ไว้ได ราดับเก่าระดับเก่าผลเลยออกเป็นส่วนหนึ่งระดับเก่าหัฒนผลระดับเก่าในโลกุตละสันไดสันหนึ่งก็ยังดีอยู่ระดับเก่าพระสวสดิ์บันระดับเก่าพระสกทาข้ามีอนาค้ามีแต่มันบาเดินแต่มันบาไปแต่มันหันยังย่อหันอันนั้นก็ยังมีมีหวังในอนาคต ลอยเปิดเส้นอส่วนยังมหันถึงพระโสดาบันสกทาข้านี่อนาข้ามี่อรหันยึกดึกสันไดสันหนึ่งนี่ก็ไม่มีบ่นหวังแล้วหวังน้ำอสงอา น, นิส ง, งส์ของซ่านของศีลของภาวนาของหายท่านบางเล็กน้อย กสิพ่อได้หันใจยื้อน้ำเทวาโลกในมนุษย์โลกในพบมาโลกบางเด้อขันเวียนวัดปัตวิงขค้นมาอีกกลุกทุ่นไปอีกก็มีแต่ก็ไร่ขึ้นอีกก็มีเพราะมันหลายบางที่ด้ดบาที่กม็มดอนิยุอายุคองการรักษาศีลพ่อหน้าแห้่ลงมาเกิดเป็นสัตติธลานก็มี มาเป็นเปีดเป็นทวีไซก็มีมาตกนาลกก็มีพราะกำเกาพ่อจักคว่ากำไม่กำเกาสอนอน่าสอนหล้างโย่ให้พ้นเมื่อท่านมดก็มีส่วนทั้งส่วนส่วนทั้งดีให้พ้นเมื่อท่านมดก็มีให้พ้มนม ด, ม ด, มดไปแล้วก็มีแต่ทองเที่อวมาในวัดราสงสารนี่ เรื่งให้พ้นมดเหลี่ยมหรือมดกรตามขันได้ทั้งดีมันกระนำตอไปจนทังสัตว์พันธุ์ผานขันได้ทั้งสัวมันกระนาตอไปทังสัตว์เขาสู่พนันธุ์านเหมือนกันอุปมาคือพระ อ, องค์เจาะไปว่างยาเข้าผิดเนะ บม่ได้เกีจตหน้าผลของกรรมอันอ น, นั้นก็นเพาะนำขันเทวิบาของพระองค์เจ้าไปทั้งสัตว์เขาสูญนิพายในทางในทางที่มันพลายแต่ว่าอาศัยกิเลสขององค์่านมุ่มีมันก็เลยกินเรื่อวันมาเบื่อเป็นอหาหุิที่กำไป เหตจังสันพจนวกรรมทึงเป็นเครื่องตัดวัตาะสงสารบวรัยส่วนกุศลกรรมก็ถึ่งผานาข้ามีส่วนอกุศลกรรมกับมหาวิกญนรลกหรือปาราชิีคืออนันตริยกรรมหา <c oughs> ที่เป็นละหุโทษที่เป็นมหันตโทษ มหันตคุณขลุคุณกระชับถึงพระอนาคามี ทังดีทั้งซัวเป็นอาจารย์คอยช่างสอนด่มีกาเวนการคืนทังดีเป็นอาจารย์ชี้ที่ให้ได้พญาย่ามบืนใทั้งสัวก็เป็นอาจารย์ให้พญาย่ามบืนไปทั้งละเวนมันมีอาจารย์อยู่ทั้งทงดีทั้งซัว เที่ยนในทางพระพุทธศาสนามันสุดเป็นปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามันสุดเป็นรู้ในทางพระพุทธศาสนามันก็ชุดเป็นมันไปนสุดยุกับพระอรหัตผลเที่ยนในทางโลกรู้ในทางโล ก, ลโลกมันชุดว่าเป็น รุยในทางโลกก็สุดว่าเป็นขันล่วยในทางท้ำร่วยในทางพระโสดาบันสัทธรข้ามีอนาค้ามีอรหรันเรื่อนขึ้นไปเองสุดเป็นลาบทั้งโลกเสื้อมเป็นสุดว่าเป็น ลาบทั้งพระโสดาบันสักท่าข้ามีอนาข้ามีเสื่อมว่าเป็นลบว่าเป็นมีได้ขึนนาไปเรื่อยจนถึงเป็นมหาลาบคืออรหัตตลบ <c oughs> โยดก็คือกันสรรเสริญก็คือกันสุกก็คือกัน เพี้ยวายอดของพระอรหันต์ตำลุงจักเถรอเพี้ยวลายของพระอรหันต์ตําลุงจักเถรอเข่าสู้พระในพาเน่ยก็ยังมีพวกกาผู้ไหวน้ํากลนอยู่หมู่พันล่าซาเลพุทธพระพุทธพระอรหันต์จ่าชี้นาศพทางหลายเรียกว่ามีทั้งหละมีทั้งหยดมีทั้งสนเสริญมีทั้งซุกแม่ตัวของคนก็นกนเป็นสุขด้วยผู้อื่นออกไปปฏิบัติ เถอะที่ควนกถอะุกเถ่าทีคทาทาท่ควนด้วยเหลือว่าซุกบ่เสื่อมเหลือว่าหลาบบ่เสื่อมเหลือว่ายุดบ่เสื่อมเพราะบ่มีนินทามาซับเมื่อยังต่งกาก้อนนั่นลงมาอยู่แล้ว เป็นลาดที่เสื่อมเป็นหยดที่เสื่อมเป็นสัระเสริญที่เสื่อมเป็นสุขที่เสื่อมภัยปเฮตแถมมันเสื่อมสังขารถา้ำเฮให้เสื่อมเองสังขารถ้มกับกิเลสต่างกันยังไรสังขารถ้ า, ถาหลน่นล้วนต่างกับกิเลส เกลียดจัดเป็นสังขารธรรมหรือไม่จัดได้เหมือนกันเป็นสังขารฝายเหตุฝายผลผู้สางขืนเลยสังสังขารธรรมจะเรียกว่าฝายเหตุฝายผลได้บ่ สังขารธรรมที่มีใจคล้องเรียกว่าไฟเหตุไฟผลที่มีวิญญาณคองสิงสังขารธรรมไฟตนใหม่พักงาที่มัมีวิญญาณข้องสิงมันเกิดตามธรรมศาสตร์ข้อมันก็ดีไฟนั่นไปเป็นเหตุเป็นผลตามธรรมดาของสังขารบรม่อมันเหตุผลเกี่ยวกับกิเลส หรือบวะเกี่ยวกับกุศลพ้นบุญความนึกความคิดความสำเหนียกของคนทั้งหลายของมนุษย์สัตว์เทวดามารพุม เมื่อยังมาท่านถึงพระโสดาบันสกทาคามิอานาข้ามิยุ่แล้วจัดเป็นควอมตึกควอมนึกค้อมคิดเป็นเครื่องสัญจรของโลกเป็นที่ทัศนาจรของโลกควอมนึกค้อมคิดหลวกรุ่นล้วนหลูกที่เป็นไฟโล ก, กี้ ความนึกความคิดของพระโสดาบันสัคข้าคามีอนาคามียกเว้นพลานเสียเป็นความนึกความคิดที่สันจอของโลกไฟกุศลขึ้นหนาส่วนพระหันเป็นความนึกความคิด จัดเป็นเครื่องสั้จรของหลวงบวชด้วความนึกของความคิดของพราห์นเป็นขันธวิบากลุน่นล้วนเพรามีกิื่อนเข้าไปสัมปยุตความนึกความคิดชนิดนั้นจัดเป็นตัวเหตุกับบวชจัดเป็นตัวผลกับบวชเพราะมีคู่ผู้เขาไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของความนึกความคิดของพระโสดาบันสกขทาข้ามีหนาขามี เป็นความนึกความคิดที่มีภูเขาไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของอยู่แต่หังนักบอกว่ากันความนึกความคิดของพวกโลกีก็ไม่ยิ่งมีย้อนกั้วกันความนึกความคิดของภูว่าไม่บาปไม่บุญนั่นเป็นความนึกความคิดที่นัก ที่สุดจุดมั่งว่าเห็นหนทางจากไปเป็นกองทุกแบบว่ารู้ตัวความนึกความคิดของพระโสดาบันสักคทาข่านี่อนาคข้านี่เป็นแบบที่รู้ตัวไปเป็นลำดับชิงทุกคนเวนก็เวนได้ ตามชที่กำลังของตนอนันบ่มีแนวสีเวณพวกถือบ่มีบาปมีบุญความควบคิดของเขาเจอกไปจักสิเวณวันใดไปจักสิปฏิวัติวันใดแล้วมุนไอญยับอรดฮวันมุนไอปล่อยอาลด์ก็มีเงินต่นเงินปล่ยเพราะบ่หลุจักเหตุเพราะบ่หลุยจักผลเด้ เ่จักบัญสีเอาเ่าจักบัญชีว่าง่าจักบัญชีดำเนินบ่จักปล่สิ่งที่ควนนึกข่วนคิดหรือนึบ่คิดเด้เพราะมืดม่นอนทาการเดียวมมีกระเว้นกลางคืนเนีย่ยมองหาบา่เห็นแช่แล้วอุปมามันคนตาบอดสนเข็มอยู่ไปพอเหลีวมือเหลียวเว้นที่ซื้อกินเสบนอนรับก็ว่าดีท่านั้น พระยูแบบใหม่ร้อยหนากับทางใหม่รูตัวอีกด้วยพวกซื้อถือไตสนาคมจะ ย, ยังเป็นโลกกียูพวกนี้ไม่ย่มรูตัวสิ่งใดที่เราทำพิษมากมันเกิดเดือนร้อนขึ้นภายหลังก็จะจ้ำวัดสิ่งใดที่เราทำถูกมันเป็นประโยชน์กับเราก็จะชไว้ เพราะมีลัก ม, มีมีหนทางเลยส่วนพระโสดาบันสักขท่าข้ามีอนาคข้ามีนั่นบ่ได้ผิดลงมาตำก็เก่าจักเถอะมีแต่พญายามถึกนนาเลื่อยหรือว่าจังสั่นก็ส่งตัวอยู่บ้างการส่งตัวบพรด้ส่งตัวยุซือส่งตัวเรือความชำนานงอีกด้วย อย่างอยู่บ้ในแหงส้ำนานบ้านหันคันน า, กานก้าวก็ได้แต่เมต่ําเขากเขาจา้างปางบาเดียวละ่ะแต่มาทู่เหงื่อทู่งโตกเกือบ ท, ที่บ่มีชยยี้ไข่เลยละฉะนั้นย่างอยู่บาา้านนเป็น่ปายเดี๋ยบ่ขึ้นมาสงสัยตอนนั้นอีกด้วยบ่ขึ้นมาเชื้อใดจักลวงละเมิดคอตอ น, นอีกด้วยในทางพิษ ส่วนทางเธอแหงนับมือเกี่ยงเมื่มืงินไปแต่มันยังอยู่วันไหนก็ได้ว่ามันยังยู่ซื่อๆแหงนับแต่ฉานในวันหันยังโดนเท่าไรแหงแตกฉานในธรรมะตอนนั้นในกิจตอนนั้นในสติตอนนั้นในปัญญาตอนนั้นคันยังโยหันโดนว่านขึ้นไผ่มันว่คือพวกโลกกี ทุกสิ่งทุกอย่างข้อกับบกกวนประมาทอันมือ่อใดเขาเลื่อนเฉื่อยอันใดว่าให้ระนึกถึงความเสียหายของตนบา้างมันจนังมีความเสียดายมื่อนี่แล้วบกผ่องในขอวัดอันนี้แล้วบกผ่องในขอวัดเดินจุกกลุ่มภาหนา เราบกพร่องนะขอวัดชื่อชวนจัดเป็นศีรวัดก็ดีจัดเป็นสีรวัดเมื่หล้ะขอวัดทั้งหลายเวนเจภาวนาวัดจัดเป็นสมาธิวัดหรือเป็นวิปัสสนาวัดแต่ว่ามันห่างสมดุลกันอยู่เว้ยทีแยกกันออกกับว่าไดล่ะ งานงานภายนอกห่อปฏิปเสธสิบเห็ดบารดเพราะห้าอยู่นําสังขารอันนึ่งวําคข่าอันนึงกับคาข่าอันนึ่งว่คัดของอันนึงกับต้องคัดของสำหรับในวงวัดหนึ่งวัดหนึ่งส้ำนักหนึ่งส้ำนำหนึ่งก็ดี ของเก่าได้เห็ดยูบะเหลวจักเถอาเห็นบางสียงบางอย่างเช่นบาทกระลางยูบะเหลวตึง้งคืนมาหลางอีกลิ้นทบาทอีกของภ่ายเนาะแต่หางเม็นของภายในผ่าจีวอคือกันจุกโกป่มากก็ได้ซักขาดมากก็ได้ตาเป็นสูนอพอตาพอสุนพ่อทายไม่ก็ได้ทาย ถึงสี่เฮ็ดค้องแล้วเว่าเป็นก่อตามคอให้แล้วเ่าเปลี่นไปในทังดีผู้เขาลักเขาซกเขาก็เฮ็ดแล้วเว่าเปลี่นคือกัดนั่นแหะผู้เขาหาป่นหาจีบก็ได้เพราะมันเหมือเปลนเหมือนเหรอไปจี้ไปป้นใช้อีกนอหัวนี่จีปลักใช้อีกนอจสิรปตัวใช้กินอีกนอหัว พระพุท ธ, ธเจ้าสอนว่าหาคุกที่ทั้งสร้างทั้งแปล ก, ก็จริงอยู่ mm hmm. เหตุไฉ่จึงว่างขวนพึงขวนถากไวจัดเป็นของขลุพันตลอดถึงจอบถึงเสียมตลอดตลอดถึงเล็กใส่ตลอดถึงหมิดหน่อยหมิดไ่ขวนหน่อยขวนขวไน ก็เพราะว่ามันมีการซ้อมแซมันมีการคัดของเป็นประจําปีประจําเดือนประจําวันอยู่เสมือนั่นแหละเท่านั้นจึงให้มีเข็มไวก็เพราะว่ามันทิ่คัดของในเวลามันขาดมันยังเสด็จยิบคำขึ้นนั่นเองเล้วว่เป็นแต่หางแล้ยวว่าเป็นในทางดีว่มันเล้วว่าเป็นในทางซัว คือพวกบ่มีขอวัดแต่ว่าเขาเขามีขอวัดท้องเขาแต่พระพุทธศาสนาหาโมเรียกว่าขอวัดคนเหลือแต่ทา้งที่มันเกี่ยวกับกุศลเพิ่งจะว่าขอวัดพระพุทธศาสนานี่ยวัดทุกสิ่งทุกอย่าง มันจักวัดเวียงให้กิดใจสูงขึ้นที่พระพุทธเจ้าทรงมัญญัติไว้ขันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไวอ้อย่างไรทรงบัญญัติใง้อาบอุบาสกอุบาสิ ก, กาก็าดีทรงบัญญัติพุทุสมะเนียนก็ดีทรงบัญญัติไว้ให้อุบาสอุบาสิ ก, กาปฏิบัติ ท่นเมื่ออุบาสกอุบาสิกาบอปฏิบัติให้ผีปฏิบัตบิบอกช่งมัญจาให้พิชซู ส, สนปฏิบัติกับพิชซูสเนปฏิบัติให้ผีพบอปฏิบัตบิอันนี้ก็ไดอันนี้ช่วงมัญจาให้อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติคือยังไง สมบัติของอุบาสกหาประกาศประกอบด้วยสัทธาเสือพระพุทธธมตุผสงมือถือมองคลตื่นข่าวคือคือเสือกรรมือเสือมองคลมาแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาะบำเพ็นบุญอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาะอุบาสกอุบาสิก กาดยอมจังยังสมบัติหาประการนั้นและวิเว้นจากวิบัติหาประการนั้นเสียอุาสกอุบาสิกาไม่หนาที่ว่าจะทําอะไรอันใดต่อพิคือสามเนี่ด้วยกายกรรมยกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยวัจีกรรมก็ประกอบด้วย ประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมกอบ ป, ประกอบด้วยเมตตาเป็นผู้บ๊อพิดประตูคือหา้ามไม่ให้เชาบ้านเฮื่อันคือพิดตุกตูทั้งกายบ่อพิดตุกตูทั้งว่าจชาบ่อพิดตุกตูทั้งใจห า, าผู้เป็นเจ้าซะไม่เ่นผู้เป็นเจ้าคัดคลองอันไหนต้องใส่ผู้คาเนู่ เว้นไว้แต่จริงเหลือวิสัยนี่เดี๋ยวว่าบอปิดปักตู้ปักตู้สมานนิกระแนะน้ำไปทั้งถ่อมสอนไปทั้งท่านวัดชีราวัดภาวนาวัดตามสถติกำลังของตนเผ่าที่ขวน ส่วนตัวอีกกับว่าได้นอดใจกเมื่อลู่เท่าถึงเก่าวแนละ้วเรายัางเป็นทู้พูดส้นคนหนาอยู่กับเป็นนาที่สีเคือนตำเนียงด้วยความเห็นชอบด้วยความปฏิบัติชอบด้วยความรุดผลชอบไปเป็นตนตอน ันหักวา้าในโลกนี่บ่ทีมความพิษให้กกันมโมยนอนความพิษให้กกันตุมตาม ต, ม ต, ามตุมตามแล้วต่างคนต่างกวดกบังจากของส่วนอุบาสกอุบาสิ ก, กาตับวบ่เหมาะสมยังไหใหาแตงขึ้น ส่วนพริกชูสัมมณีนตัวบ่มะสมจังไรกับไห้แตงเข้นตัวบ่มอสมกับทานาของตัวนั่นส่วนเจ้าสนน่ายตัวบ่มะสมกับเจาะกับน่ายก็ให้ดัดแปลงเข้นต่างคนต่างเตือนจะของใส่กันกวนสามัคคีนี่เมื่อต้องอะไรไปบังคับมันเป็นเอง ส่วนคู่บ่าอาการแล้วเป็นผู้ใหญ่รวมแล้ววันไหวันไหพ่อใส่ไหนบ้างวันไหเหลียวไหลมากกะที่เตือนตอนเขาเหนือห า, วากว่าเจ้าคิดในาศาสนาแล้วหรือหากว่า ย, ยังยู่ หรือว่าตัวอยู่ในขันไหนพุ่มไหนก็อ่านตัวให้มันออกให้มันสมฐานะก็เป็นผู้ใหญ่น่ผู้หน่อยอให้สมฐานะก็เป็นผู้หน่อยน่พวกนักเลียสมฐานะตัวเป็นนักเลียนต่างคนต่างตีเจ้าของ ใส่ความือของเจ้าของที่เรียนมากฐานะของสั่นค้อมือมันมีอยู่ทุกฐานะเลยโลกนี่มันก็เ่อเดือดร้อนมันจะเอาความเดือดร้อนมาจะใส่อันนี้คันพปประพุธสมกันพระกะหาสิต อุบาสิเทศเอายมยมกับหาอุบาสิเทศอระต่างครต่างญาติถมารกันอยู่เนตัวเป็นไปบ่ได้แม่คู่บาอาจารย์กัำลุกซีดก็บเงือนกันอตลอดถึงมูอเพื่อนสหาวพ่อมาจารีก็บเงือนกันเพราะบอยอมรับฟังของกันเพราะบอย่อมรับทิ่แค่น้าของกันปานคนหม้อเหลา ม า, มาแล้วมึงเศ้าเท่ากันมึงยาพูดดันกูผีจังพูดเก่งมาันเอาขึ้นเอาเจริญันน้ลายม า, ามสันเตรียมถวยมันจะเป็นแบบนั้นสมอเนี่ยไ้่สันหลกทางหลายมันจาหอนการสอนของวาพุทธเจ้าก็อยู่ในกระดาษสะมเมีนแล้วคนทั้งหลายมันทำว่ามีนที่กฎหมายกับมีนอยู่ มันใช่พิพษเพราะกฎหมายการรักก็อาศัยทำคําสอนของพุทธเจ้าหเป็นแวนไปต่างทั้งเนี่ยพิษบางนักบางเบาบางก็บอกว่าจะ พ, พิษร้ายการเสียภาษีอากรมก็มีในครั้งหลวงพุทธเจ้าหลชพี่ถวายเป็นหลวงมีเสียคาอากรเป็นตน้นเทวตาพี่ท่ามุนุนทิเทวดาบริจาคท่าในสมณภาพผูพ้ประพฤติชอบ มันมีอยู่แล้วของพระเจ้าก็าได้ตำรวจก็ต้องตีเตียนจะของว่าสุงฐานะตารวจจังไหนกลงไปกลองมาจังไหนทหารก็คือกันพวกเศร้าให้เศ้าหน้าก็คือกันพวกขา่าพวกขายก็คือกันจ้างคนจ้างตักเตือนตอนเขาในถ้ำในวีในอ๋อถ้ำวีในเป็นแวน น, นี้พอแล้วต่างคนต่างเลี้ยงจืงที่นี่มันกรลุดลวยไปปีละเรียกปีละหน่อยไปสวยไปสวยไปสวยไปสวยไ ป, ยไปทั้งพระสวยไปทั้งโยมสวยไปทั้งพอขายสวยไปทั้งพอขาย ท่านน้าของพระองค์เก่าว่างไว้แล้วว่ได้สวยไปใสเต็มบริบูรณ์ทัทั้งทรัพยยันชนะเกวระปลิปุล น, นั่งพระเดชส์ทั้งพมาจารย์ง่งประกาศเสสิเ่อฉันยืนยันได้ว่าไม่บกพร่อพร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะแล้วผู้พูดพ่อมาจันเป็นพระสวสดาบันกามีแล้วเป็นสักขทาข้ามีกามีแล้วลูกศิษย์ท่องเทีเป็นอนาข้ามีกามีแล้ว เป็นพระรหัสกะมีแล้วว่ามันเป็นคำสองหล่นล้วนที่พระพุทธเจ้ามาบอกปากเปียกไม่มีผู้ดำเนินถึงนั่นหมายคของทุกยุคพุทธกาลยุคปัจจุบันนี่ไม่มีผู้ได้ตัดทิ้นให้กันได้ซช่แล้วบาด น, นี่ ผลสุดท้ายก็เลยมอบภัยสั้นทิศที่กูของภัยของมันภัย ไ, ไม่กิเลสโลกโกดลงอยู่กับเรี่ยวแต่ผู้นั่นสีรูดตัวภัยเบาไปแล้วกับเร่วแต่ผู้นั่นสีรูดตัวภัยพ่นไปแล้วเป็นควาคันไปกับเรยวแต่ผู้นั่นสีรูดตั ว, ว, ว, ตรตวพระบ่มีพระพุทธเจ้ามาตดสิน ผู้ใดเห็นถ้มผู้นั้นเห็นเหล้าเอาผู้ใดเห็นเหล้าผู้นั้นเห็นถ้ำเอาแต่พระพุทธเจ้าของย่อมว่าเขาสู้พนิพัานยังมีอยู่เขาสู้แต่ขันเทวิบากกับกิเลสเซนถ้ำคําทั้งสอนบ่ได้เขาไปไซถ้ำวีไนที่เป็นาศาสดาของท่านทั้งหลายยามเราลวงไปแม่เรายัางอยู่เมื่อพบท่านทั้งหลายเ่อประพฤติตามถ้ำวีไนเราก็เป็นาศสาสตาของท่านทาานั้งหลายบ่าได้เหมือนกัน ก็ ว, ว่นเมนเมนอันนี้ก็ได้ก็มีบนแท่งพิ่นเสมือนี่คนจงหลอกเกลียกมากินมาท่า น, นำเฮ้าตาม ภาษาภาษีกดีปีและเถ้อเข้ามาตดใจพวกตั้งจังหวัดเนี่ยบอร์เด้มาด้วยภาพพจนหนทางดีเบอร์ได้มาด้วยภาพพจนเสยศาสตร์เล่นเหล็กเล่นผาเขาเห็นนามูเฮ้า อยู่อัตคัดมัดเมฆเขาสืบประวัติแล้วเขาจังมากว่ามันคำาแบบงงๆว่าบะเตรกระต่อหลออศีกาอยู่ตามงูเงาเตาตุตน พ่อจักได้บุญน้ำบ้างกระมังเขาก็เล่ห ม, ม้าแบบกระมังสนอกบ่มป็นข้ามาย้อนห่อนท้างดีบ่ดีแล้ว ก, ก็ด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของคููบาอาจารย์าติโยมและมูเพื่อน ส่วนภายนอกมันส่วนภ า, ายในกันยังมีอีกแล้วห้อประพฤติพื่อมาจันมุ่งปัจใจซีบ่อมุ่งได้กับว่าได้กันเขาว่าหายขเขาขึ้นน้ำเขาบ่ามุ่งกันเขาเอามาหายกีดเช็ดอย่างไรสูบไฟถิ่มบ่ คุณนชิ้นท่านตัวเ่อจะสร้างไว้มุ่งได้ก็บไ่ได้ใ น, นทางที่สุดจริตเนี่ยส่วนในท่างทุจริตเนี่ยมันบมนเป็นประมาณอันนั้นเป็นประมาณเมือ่อไรอันในมาในท่างทุจริตเนี่ย ว่ามันเธถึอท้าบธถือไว้ไงพีประพุทธเทวดาเมื่อซอยเขากะเบือคือการหันละมันเป็นสันว่าจิตใจของมูฮั่นต่างคนต่างยังเบืองห้องไฟห้องมัน เราวังเป็นวังตายต่อพระพุทธศาสนาซ้ำใดให้ตอบเจ้าของให้มันได้เมื่อวางเป็นวางตายน้าผู้อื่นเม่เป็นปัญหาเมื่อวังเป็นวางตายน้าคู่บาอาจารย์อง์นั้นอง์นี้ก็บ่วเป็นปัญหาเมื่อวางตายน้ำมูน้ำเพื่อนเพื่อนผู้นี้กับพวกเป็นปัญหาเจ้าของพ่ายนอกเล่าวังเป็นวางตายต่อขอวัดปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เือเนเนี่ยนะขอปฏิบัติขอวัดปฏิบัตินชําได้ไหมท่นให้มันตอบเจ้าของได้ให้มันหูวจักได้เจ้าของเพราะมันเป็นสมัยที่ทดสอบเจ้าของแล้วสมัยนี้เพราะพุทธศาสนาก็เป็นจังเฮาเห็นอยู่นี่ละ บ้านเมืองเป็นจ้าเฮาเห็นอยู่นี่ละ่ะการนับมืออัตคัดไปทุกด้านทุกมุมถึงบ้านเมืองอัตคัดไปทุกด้านทุกมุมถึงเพียงนี้แล้วเล่าโสเป็นโสตายนําพระพุทธศาสนานั่นพระพุทธธรรมประสงน์นํานขอวัดปฏิบัติของเฮาเพียงใด ก็ต้องสอบท่านจะคลองบังแหยมันเถือ่อหยมันกักสิ่งที่เอาผ้ามาหน้ามาแล้วนี่มันได้กาลังจางไหนหรือมันชิลาสิถอยออกจากพระพุทธศาสนามันล่ามันถอยออกเพราะเหตุใดเป็นนําเผาหรือเป็นนําผู้อื่นหรือเป็นน้ำผักหรือเป็นนําพวก ผลสุดท้ายมันก็เป็นน้ำเจ้าของไม่ได้เป็นน้ำผู้อื่นบใ่ในทางปรมามัดแทนขั้นเจ้เอาคว่ำดีเพดีไปทิมให้ผู้อื่นเมัดเพราะพุทธเจ้า ก, ก็บ่าสามารถเป็นพระพุทธเจ้าไปได้เพราะผู้ไหก็บ่าสามารถเป็นพระพุทธเจ้าด้ พวกพระรหันตาชี้น่าศพกับพระสามาบเป็นพระรหันตาชีนาศ พ, าาปพาาไปได้ตลอดถึงพระสสดาบานันสักทาคามีอนาคามีขันพ่เสื้อในมันสมัตรภาพเจ้าของที่มีลักธรรมว่างบอของฉันผู้เห็นหูมันทางแล้ว ทั้งเขาที่ผีกไปมัดมูมันกรเดินงุ้งงไปพูดหยวมัธยละคันผู้เ่าท่านเห็นวงวนทางเขาพาผีกมันกระผีกเขาพาไปมันกระไปอันนั้นเพราะเป็นเส้นหน้าบาักคีดการนี เห็นหวนทั้งในคิดในใจแล้วเมืดประเทศเมืดโลกใศิลาศิกขาเมด่อทรัชนมุ่ยภูม่ า, า, มเมมาเพี้ยนมาจังหันมุ่ยภูม่มาใส่บาทหยาดโพกไข่มุ่ยภูม่าหายผานุ่งแพร่ถือกสิตยิบไปใม่ยนุง สิภาวนานอนตายนาาั่งเมื่อใดแล้วคืดถึงยังสั่นแล้วหรือยังต้องตอบเจ้าของให้มันได้แล้วม่นเนียสิจงไว้มันจิเป็นทุกข์ในอนาคตถึงสิบว่าออกปากว่าอวดก็ได้ แล้วเห็นเพจใดสิหาความสุขในโลกกุตตละได้ง่ายกลัวเพจฆราวาสบอกหรือเพจพุทธมจันอันนี้ใครมันตกลงจะคลองให้มันได้สัตดเนี่ยถาหากเล่าสติข้อหมายว่าเราอยู่ฆราวาส รักษาสินหาเอากระไดดอกซึ่งเห้ามานุงเหลืองห่มเหลืองแล้วส่ให้ทราบเถิดวาจิตของเราถอยหลังแล้วชายขันแอนไปปนไดกระบอยู่หละฮะบางองค์มาปรึกษาเห้า ขอหน่อยปรึ่งสารีเป็นพระอยู่มันลำค้านามาสั่นขอหน่อยอยากถอนตัวไปเป็นเน้นปฏิบัตินรื่อง ก, การงานที่บ่าหลายเนอมาสั่นมันสิดีบอมาสั่นเออบอกท่านห้องหัวใจแล้วเหตุไฉนจิตจึงเป็นยังสั่น จิตอันนี้จิตสอบวิเวกอยู่บ่หมักหุ่นบ่ควายวะบ่หมักไงไฟสูงจิ๋งอยู่ถูกดลัวแต่ว่าขันห้าบวชจะเป็นพระแล้วน่ะห้าจะไปซิกห้าจะไปเป็นกลับไปเป็นเน่นนี่บ่ถึกได้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิได้วะบ่ถึกกว่าขันห้าบ่ทวนเป็นเนื้เถื่อแมียนิ้ววอกเนียนุ่งยืดถูกว่า บ่ดีวะข้าพ่านเป็นยักษเทือกเนีเ่ยแม่นยุวข้าเ่าได้เป็นแล้ว้าพ่หนลงไปเป็นเน่นปะปฏิบัติออกกรไดมรคนี่พานคือก่นเน่ก็เรียกว่าขาพอประมาทเ พ, พียรพระว่า บ, ดบด่บ่ดวะแต่เพศยรพระก็ยังม่สามารถที่รักษาบอ้าไปเป็นเน่ยนเป็ิบัติอมันสะไดมรคนี่พานมาเสนอข้าระวังเสนอเออเป็นเนี่ยเป็นยังยู่ของแม่นเน่ยบอกว่า ว่อยากบวชพระสิเอาเทเนนนี่าะคุม่อาุว่าสั่นาอันนี้มดีวบวชเป็นพระถึงกานีด้ว่บถือว่หนึ่งฉิขานไปสังสรรกระม่กระเพื่อนสองสั่างางานจุกยุกิกคหลายอย่างสามสร้งมันซือใยนึกไปกันสักนนี่ง่สี่ ขี้ขาดไปฮหาบินแทบบาดห้าว่าจะไปกี่ต้มกินหุงกินนะไม่จะขันใจห้องหูดังค้นนะไม่ถึกกว่าไม่ดีหรือว่าสมัยเดียวนี่บ่ขังคือขังพุทธการใช้แล้ว ข้างพุทธการพ้นก็มีแต่พระอราหันต์ละหันหลายสมควรข้างเฮ้าเนี่ยมันพ้นได้พ่นกับว่าเขียนชนะภาคว้กัตยกไว้ตะก้อนอนที่นี่โยมเมืม่อพระอราหันต์ไม่มากโยมก็นสนใจธรรมะมาก สัทธากะมากความเหตุความท่ามทุกทิ้งทุกอย่างก็เลยกลายเป็นงานของโน้มหลายก็งานของพระสมมือนี่ความปฏิบัติของพระก็คงจักย้อนลงเมื่อความปฏิบัติของพระย้อนลง ควบรอมสาสัสทธาของหยาิโยมก็ย้อนลงเป็นธรรมดามานั่งไปพร้อมกันพกขนมก่อนเดียวกันถอดเสนนามมันหมูในโล ก, กอันนี้ขันทั้งฝ่ายจะเลิ่อนขึ้นในด้านจิตใจฝ่ายหยาัโยมก็ต้องจะเจร่ญขึ้นในด่านจิตใจคือกัน เพรเหตุใดเพราะสุขคอนสุอาศัยกันนี้แมก็ะตออในข่าวไกส่สังสรรค์กันนี่แล้วการเชื่อมกาเชื่อมต้องนำการมัททรทดทั้งหยาดทั้งโอมทั้งพ่าเนี่ผู้ที่ทำรายพระพุทธศาสนาะกัเมเณทพิชชูสมมัมมานอุบาสกอุบาสิกาผู้ทิเหตุให้ขอวัดปฏิบัติเสื่อมผู้ทีเหตุให้ขอวัดปฏิบัติสูงขึ้นกันเมเนพระพิชชูสัมเมนนนานอุบาสกอุบาสิกา พระพุทธเจ้ายืนยันเลยพระแห้งเลยเนี่แต่ขอวัดของพระองค์เจ้าที่ว่างไว้บริเวเสื่อมไปไถ่นี่อยู่คือเก่าบุคคลผู้ปฏิบัติเสื่อมลงหรือจะเริ่มขื้นเมื่อมีจะเริ่มเมืเ่อมีเสื่อมอันพระองค์เก่าว่างไว้แล้วเป็นของตายตัวแล้วพระเจ้าองค์ไหนก็มาเถนดทันเก่าแล้ว องนั่นมาตัดสรูเลยเพิ่มถ้ามะคืนไม่อีกองไมนไหมเล่าก็หกก็มาใดไหมเนี่ยแะทำซุ่มหนีแม่ตะกี้เห็นบูมีจ่จั๊ ก, ก, กเถือดอกประสพกุธเจ้าบัได้วาปุ๊บเพศสุอนั น, นสุเตยสุทัมเมสุจักคุ้งมาสั่นมัน ม, มีมาต่ปดัดใดสั่ เแต่เพียงเรามาพ่อเป็นว่าะเป็นยุกคือทำทั้งร้ายม่นเนียมีวิถีดได้าปั่นเป็นของกิ่งอยู่่คัดข้านกันเพระพุทธเจ้าทั้งรายก็ะดายพระพุทธเจาอองงา้าองค์นกอนไ่ได้สลัดท้อเฮาไ่าได้ตัดสรูเต็มพุม่มคือเฮาเพระพุทธเจ้าบ่าได้ตัดพอกันที่จะอนุสันต์อนุญาตสร้างบามรามีหน่อยมากเท่านั้น รูปมือนกฎหมายกดหมู่ฎกฎภากดพวกท้ำบ่ได้ตายไปไซโลกียธร้ำกบไตายไปไซไปจําโลกอยู่โลกุตตะธรถ้ำก บ, ไ, ไ, ำกกกำกบได้ตายไปไซของกิงของมีของสัตว์ฟ้าเกิดฟ้าดับกบได้ตายไปไซเป็นของกิงองยู่อย่างสัตว์กิงในทางทุกในสังขารน่ะ ทำไฟอันวิสังขารบ่เกิดบ่ดับกับว่าได้ตายไประไซเป็นของกิ่งหลงสันพระชเห็นว่เห็นกระซางมีอยู่หลวงสันพระชีได้ว่ได้กระตามพระพุทธเจ้าสีมาตัดหรือมามาตัดกระซางถ้ำสองไฟตัวนีอยู่หลงสันหลงสันจึงยืนยันเราถ้ำเกิดก่อนเราเป็นว่ะใช่เราเกิดก่อนถ้ำเป็นจะเรามาหลู่เป็นเพียงยุกของพระพุทธเจ้าก็คื่อเป่นวะหลวงสันเขาจึงเข้าลบถ้ำ เกี่ยวกับร่างกายกับคิดใจอยู่เหมือบ่คันบ่มีร่างกายบ่มีคิดบ่มีใจท่ไ ม, มีหรือไม่นี่ปัญหาสอเข้ามาอีกอ่ะนมีร่างกายและคิดใจสังขารท่ไ ม, มีหรือไม่ กระบินใบไม้ต้ น, ม น, นมไ ม, ม้พักงาดินน้ำไฟล่มที่บ่มีพระพุทธเจ้าจัดเป็นสังหารธรรมมีอยู่สัตว์ส่วนมักผลในผ้านก็มีอยู่สัตว์เ่สิบว่มีจิตไม่ใจกระซารูปประรมสภาว่าอันเป็นลูก อารูปประรมสภาวะอันเป็นอารูปคือเวทนาสัญญาสังหายเป็นญาตโล ก, กุตรธรรมสั้นพ้นจากโลกมีอยู่จังสัน่นอันนั่นก็นไดใครสิรูบัวรูมันบวกนอยู่กับรรมทั้ ง, ทงหลายขืนอยู่กับผู้รูผู้บัรูผู้ปฏิบัติบว ป, ปฏิบัต ก า, าวจเรพุ่มว่านี่พุ่มของจิตใจผู้ท่องเที่ยวอยู่ในกาม้มหมายถึงกามาพราะเจราหกสัตลูกปลาวัจเรพุม่มผู้ท่องเที่ยวอยู่ในลูกหมายถึงลูกปลพุ่มชื่หกสันวอารูปปาวัจเะระพุม่มผู้เที่ยวอยู่ ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปหมายคว่มันผอกภาวนาอากาศสานั่จายยตนะวิญญาณนั่นจายยตนะอาจินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะพวกนี้ติดอยู่หันโลกกุตรภูมิสั่นพ้นจากโลกหมายถึงภูมิของพระรัน เฮ้เจ้าสั่นเนพราเนี่ยว่าพบสามพุ่มสี่างกันยังไงกามาพบลูกพบพบอรูปรพ บ, ปพบกามาว่าเจระภุ่มลู ป, ป่าว่าเจระภุ่มอรูปปาว่าเจระภุ่มมีข้อหมายอันเดียวกันพุ่มคือภุ่มของคิดพบเป็นที่เกิดของคิตเพราะประการนัดยังไงพบนัดมีความหมายอันเดียวกัน โลกุตระพุ่มจัดเป็นชีสันพุ่งของพระสวัสดาบันสักทาข้ามีอานาคามีอาหารหันพุ่งของพระอรหันจัดออกไปอีกสุกวิปะสะัสกูติวิชโชชะละพิญโยปฏิสัมพิทาปโตนี่หมายความพวกสาวกเป็นชีจับพวกงพุมิของพระอรหันจัจัดออกไปอีก พระเจกระพู่มพุทธพูมพระเจกพุทธเจ้าในโลกุตตะพูมสมบัติอันสูงโกมูแม่นพูมของพระพุทธเจ้าแม่นพ่อพุทธเจ้าพุท ธ, ธัสลุยัางเต็มที่แล้ว หรือกำลังปฎถนายูบ้านสําเร็จก็อนเป็นผู้มพระพุทธเจ้าสูงกรุงผู้มพร ะ, ระเจกเุนชันที่สองผู้มของผู้หวังเป็นอาหนาันตะขีหน้าศพเบื้องใต้เบื้องขวาเป็นชันที่สามผู้หวังสาวกสันผู้ใหญ่แต่หางมีเอตตะละขะเป็นชันที่สผู้หวังสุขขยิปัสะโกเป็นชันที่หา แต่ว่าสั้นที่ทะเลกระตามพ่นจากกิเลสน่มีรถอันเดียวกั น, น, นมีรถสาสตรมามา์่มาเกิดมาแกมาเกีมเกมเก้มาตายอันเดียวกันมีรถสาสร์มาหลบมาโกดมาหลงอันเดียวกัน ของจิตของใจโมเมนตสีมาหวังเปลี่ยนหวังตายอยู่ในตัเทวโลกพ้นโพ้นมโลกมนุษย์โลกสัตวโลกเจตหน้าของจิตของใจกระไรโมเมนต์เนี่ยสีมามุ่งเท่านั้นของดีก็นั้นมีอยู่อีกต้องมุ่งขึ้นไปอีกถึงสีมาเป็นกิเลสกระซัง ม, มั่มเมนสิมามุ่งปราถนาะจิซื้อถ้ำผอมปฏิบัติผอมม่อแมนสิหายกินนํามันจะควบปราชนาะและเจตนาเซื้อเจตนาอยากเป็นเศรษฐีแต่หางมโหเหตเงื่อนรูมีายได้ก็จะเป็นเศรษฐีดอกกับก็บาดต่ำกรบาดดอกไม้ยังสัน่น เฮ็ดพร้อมเท่าพร้อมคามสติกำลังเวลาป้ปงองอะไรบ่มีเนี่ยเป็นตานอนใจจักแนวเฮื่อนพย่ายิดตลาดที่อาศัยย้อนนี่กับ่เป็นตานอนใจจกักแนอว มัดด้วยวายมัดด้วยกระดูกมัดด้วยเส้นด้วยเอ็นต่างวยายคกพง่ญยคิตตลาดคือปากคสาคือแคว วังเอาอันไหนวังเป็นซุกน้ำอันไหนกับี่เตี้ยนอวมันบะเทียงหวางเป็นซุกน้ำหลางกายกับนี่ตี้ยนอวมันบะเทียงวังเป็นซุกน้ำตาหูจมูกลิ่นกายกับนี่ตี้ยนอวมันบะเทียง ไม่อย่ากคิดตลอดลดอยู่แบบจนกอกเมื่อแก่จะของบะตกกัจนมุมสวดาบันชักกระท่าเมียหน้าคา่ามี่บอลจนมุมมีมอบอลไปเห็นหูงหวนทางเงียกลนเข็มถึกแล้ว ตามก้อนนั่นลงมาต้องจนมุมเมื่อพี่เจนาเห็นโทษในความเกิดแก่เจ็บตายบ่พอ่อปัญญาการ บ, บ่เกิดพี่เจนาความบ่หมันบ่เทียงบ่พอ่อปัญญาการ บ, บ่เกิด เห็นเพียงเห็นตามปริยัติมันว่าเป็นปัจจักาสิทธิเพิ่มเคยหูกระหัดปากแก้วเจา้าค่ะินเขาก็ล้วยขันว่าเห็นสักกลน่าฬิกายเปืเอ่อยเน่าสัดแจงปัญญาคาร์บ๊อกเกิด พราะอำนาจของควอมหลงหนังหลายก็ข้มเห็นตามเป็นจริงด้อำนาจหลวงหนังมีกำลังเนีย่ยขมตามเป็นจริงที่เห็นของเปลือกของเนาเป็นไม่มีเวลาหน่อยบ่ค่อยมีเวลาปัญญาการ์บัเกิ้ บัวเสื้อคุ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนบัวเสื้อคำาสอนแน่นอนปัญญาเขาบ่เกิดอีกอันนี้ก็ได้เพราะมันมาเป็นอาจารย์และสัทธาดิ เสื้อในค้ามศรบางเสื้อในทางพี่จ้าหน้าลงเอ่อยกันกันกนกบค้ามศรบางกลมกืนกันเมื่อนี้มีบันแสงอันนั้เป็นควบเสื้อที่พ่อจัดแล้วเป็นซัดซัท่าได้มนันซัท่าที่ว่าขาบวัดเจ้าของ ชตทสต่อสูควมหลงปัญญาสต่อสูก็ควมหลงสติสีต่อสู้ควบมุมมีสติปัญญาสีต่อสู่ก็ค ว, มควมบมุญญมมีปัญญาสมาธิสต่อสูก็ควมบมุมตั้งมัน่นอานาปนานสติเป็นกรรมฐา น, นละเอียดที่สุด กรมมทานอ า, านาปานสติดึงกายาคตาส ต, ติเข้ามาใส่ได้ดึงพุทธานุสติเข้ามาใส่ได้ดึงธรรมาสังฆาเข้ามาใส่ได้ดึงอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเข้ามาใส่ได้ดึงมรรควิธีเข้ามาใส่ได้ นี่กดควบรับจังฮาเขามาแท้ได้เราถทะเยอทะยานในหายใจออกจั้งไหนเรากำนัดในหายใจออกจั้งไหนเราหักกำนัดในหายใจเข่าจั้งไหนต้องกวดกันในหันเราสิ้นควมสงสัยในกำลังหายใจเข่าใจออกในสั้นใดเราพ้นไปในสั้นใดแล้วมันกำเริบในกันไหนมันขบวดขึ้นในสั้นไหนอีก มาปวดได้บัดทุกกรรมฐานเหตุทั้งสันลวกปู่หมันจึงส่งสรรเสริญหรือความพี่สุธิมักจึงส่งสรรเสริญว่าอานาปานิปานาสตินี่เป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายจะพี่พีจาหนาเว ท, ทานานุปัสนาในลมหายใจเขาออกได้จะพี่จาหนาจิตตานุปัสนาในลมหายใจเขาออกได้ จะกวดจิตผอมกับลมหายใจเขาออกได้จะกวดท่ามทั้งหลายผอมกับลมหายใจเขาออกได้อย่องอื่นว่าสามารถจะกวดได้เพราะว่าเนี่ยเนี่ยละเอียดละออกเหมือนกรรมฐานอันนี้จักพี่เจ้าอดีตอ น, นาคตกระสับในลมหายใจเขาออก พ่อร่มหายใจเขารู้จักว่าล่มหายใจเขามันเป็นอดีตแล้วพ่อรู้จักว่ากลางลมมันกลับเป็นอดีตไปแล้วพอรู้จักว่าท้ายลมมันกลับเป็นอดีตไปแล้วหลวงพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อันอ่่ พ่มาคือหอล่อรถมันหมุนอยู่จักพี่เจ้านาศาสตร์พบในร่มหายใจเขาออกกรสิ้นควมชงใยได้จักพี่เจ้านาควมเกิดควมรับในร่มหายใจเขาออกกรสิ้นควมชงใสได้ จักพีเจนาอนิจจังพ่องกับลมหายใจเขาออกกัสิ่งควมสงสัยได้จักพีเจนาอันบุญมันซัดบุญมันบุคลพ่อมกับลมหายใจเขาออกกัสิ้นควมสงสัยได้จักพีเจนาควบแก่พ่องกับลมหายใจเขาออกกัสิ้นควมสงสัยได้จักพีเจนาควมเก็บพ่อมกับลมหายใจเขาออกกัสิ้นควมสงสัยได้จักพีเจนาควบตายพ่อกับลมหายใจเขาออกกัสิ้นควมสงสัยได้ ขอให้จะให้เป็นว่าวเสียกขาดกันฟุ้งออกจากหันเป็นว่าวเสียกขาดนี่เดียกว่าเดินดิพัฒนาการเดินสมทธิล้วนๆป้อยให้มันเข่าไปจนมิดล้มพักอยู่อันนั้นมันกาลังออกมาอันนั้นสมาธิล้วนๆนั่ น, ขนเข้าไปทังแทะ มันก็มิบอ่อนซ่อนอันอ น, นั้มีเจ้พูรุอันเดียวอันโนอยู่ร่มหายไปเดี๋ยวทอนออกมาถอนออกมาหางเที่มมันมาขัางอุปจารและสมาธิฮะนี่เกินิมิตกระมิหางเทียเข้าไปปรหอดอุปจารและสมาธิเนี่ยมันเกิดนิมิตไปตั้ ง, ง, งและคะน่ฮ่อเหิออนเลยอากาศไปก็มีสารพัดอันนั้นมันอุปจารและสมาธิอันที่จะหน้าวิปัสนาควบนี่ เกี่ยวกับปัญญาเนี่ยไ่ได้เกี่ยวกับเหลี่องมู้นนะไ่ได้เกี่ยวกับเหลื่งมู้นจักสิ้นความสงสัยในอดีตและอนาคตได้อาณาปรนเสตินี่ยเาคือกรรมฐานอื่น จะเห็นความเกิดความดับสัตย์ได้จะเห็นอนิจจังทุกครั้งอนาัตตาสัตย์ได้จะเห็นคณะจิตที่เรากำนัตกรลม่มล่มหรือผู้หลู่หรือ อ, อย่งกวดพร้อมกันกับกั บ, ก, บ, ก, บกับได้กรรมฐานอื่นว่าสามารถได้เพราะเจจะซิบว่าเนี่ยสนิทเหมือนกรรมฐานอันนี้เหตุฉันในทางพระพุทธศาสนาจึงมี ข้าศาสนาอื่นๆโบมีอานาปนานสติพระอริยาสาวกขั้งพระพุทธการก็สําเร็จด้วยอานาปันสติมากกว่ากรรมฐ า, าอนอื่นๆเพราะกันวิตกกรจริษได้กามวิโตกพญาบาทวิตกวิหิงสาวิโตกหายไปได้ง่ายกว่ากรรมฐ า, าอนอื่นๆเพราะจ่องอยู่แต่ลม ออกหาบออกละเอียดเป็นเลือกคลองลงบพระมันเล่าแตงออกหายใจสัน่นหายหายใจเน้ยออเป็นเลือกของลงเพระมันเล่าแตงออกถึงเจ้าพี่อยสังเกตงา่ามห่อรื่มไม่ได้พี่จะหน้านี่ถอยไปหายให้มันมันเลือคว่ำซ้ำนานของมันมันหายออกให้เก่าเองแต่ว่ากายสังขาร สี พ, พี่จะหน้าว <laughs> ัจ um ีสังขารกับพ okay? <remark> ี่จะหน้าในโลกขอลมออกสี่พี่จะหน้ากิจตสังขารกับพี่จะหน้าในโลกขาลมออกสิพี่จะหน้าถ้ำไฟสังขารกับพี่จะหน้าพ่องว่าโลกขอลมออกสิ่พี่จะหน้าถ้ำไฟเกิดไฟดับกับพี่จะหน้าพ่องว่าโลกขาลมออกคันที่พี่จะหน้าถ้ำไฟมาเกิดบาดับกับพ่องว่าโลกขาลมออกถ้าไฟมาเกิดบาดับมันบมมีเป่าเล้ อาศัยลมเป็นแหวนซื้ออาศัยสติในล่มหรือปัญญาหลอบลู่ในหันเป็นแหวนซื้สอสิไปเข้าใจว่าถ้ำไฟบกเกิดบอดับมันเป็นเป่าอยู่หรบกโมเมนัต น, นของถ้ำไฟบกเกิดบอดับอยู่ฝากผู้ลู่คุณผู้ลู่นี่มันโมแมนผู้ลู่มันยังเป็นทั้งฐานอยู่ มันยังมีเป่าอยู่คือเป่าผู้ลูกมันยังมีลุมเพาะอยู่คือลุมเพาะผู้ลูกมันยังมีบรรอาศัยอยู่เพาะอาศัยผู้ลูกผู้ลูกกับพันิพ์่านต่างกันยังไงผู้ลูกว่าฝาก็ฝ่าต่างกันยังไงฉันผู้ลูกว่าดินกับดินต่างกันยังไงสัน คนละยางผู้หลูกว่าฟ้านี่ยบอกว่ป็นฝ่าได้เห็นฝ่าตั้งหักผู้หลูกว่าอากาศเนี่ยบ่ใช่เป็นอากาศได้เห็อากาศตั้งหักผู้หลูกว่าไฟอันนี้ก็กว่าใช่เป็นไฟได้ไฟตั้งหักผู้หลูกว่าดีว่าซัวสัตว์มันก็กว่ามปนดีเป็นซั่วได้เห็นดีซั่วตั้งหักอีก ผู้รู้ว่าน้ามก็ว่าใช้แม่นหามนนี่นามตั้งหากอีกลองสั้นอาโอยแล่ก็ร้ายคือจึงตัวนี้ก็ดอกก็เดีอะนี่มุกเลียทอพู้ทอเขาฉันพ่ดออกผมไม่พูดออกยาปุา่ากีเล็บ